ข้อความในคำพีพุทธวงศ์เนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วในมาขึ้นวงของพระเวสสภูพุทธเจ้าที่21เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่21ที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเราว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าถัดจากนี้ไปอีกสาอกับคาว่าพุทธวงศ์เนี่ยนะเป็นวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นนับว่านับ พระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ของเราปัจจุบันก็นับเนื่องว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับผ่าได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพยากรพระองค์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นับเนื่องในวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือว่าวงของพระพุทธเจ้าเป็นวงที่ประเสริฐที่สุดวงที่เลิศที่สุดเป็นการที่พระโพธิสัตว์ของเราได้รับพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาก็แสดงว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคล้ายๆกับสืบเชื้อสายของพระพุทธเจ้าประเพณีแห่งพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามั้นก็อนาคตต่อไปพระโพธิสัตว์ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้พูดเหมือนกับอีกไกลเหลือเกินนะของเรามาปลายแล้วนะอย่าคิดมาแม้เดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงวงของเราแล้ว ของเรามาตอนปลายแล้วนะนะพระพุทธเจ้าตรัสในพุทธวงให้ภาษารีบุตรฟังว่าในมันตกับนั้นนั่นเองนะก็คำว่ามันตะกับนี่เรียกโดยชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่หมายถึงกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์นะนะพระองค์นี้เป็นองค์ที่สองเมื่อสาสิบเอ็ดกับนะเมื่อสามสิบเอ็ดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์นะนะพระองค์เวสสุภูเป็น พระองค์ที่สองในกลับนั้นพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระนามว เ, เวสภูพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนะคือในยุคเดียวกันเนี่ยนะในยุคเดียวกันนั้นนะในหมื่นโลกธาตุแสนโ ล, โลกธาตุในสรรพสัตว์ทั้งมวลเนี่ยนะไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับพระองค์ได้โดยประการทั้งปวงไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องเปรียบกับพระองค์ อย่างก็บอกว่าร่างกายของพระองค์เนี่ยบุญเนี่ยจัดสรรตกแต่งเป็นเขาบอกว่าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะบุญแค่ชาติสองชาติเท่านั้นเนี่ยมันนาเกิดแต่ของพระพุทธเจ้ากรรมที่นําปฏิสนที่เป็นปฏิสนที่จิตผวังขจิตที่สืบเนื่องก็กรรมหนึ่งนี่ในร่างกายของพระองค์เนี่ยนะตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าหรือปลายเท้าขึ้นถึงศีรษะโครงสร้างเนี่ย บุญตลอดระยะเวลาสี่อสองไขยแสนกลับมาช่วยกันตกแต่งนะนะนสรีระผู้ที่ที่บุญเนี่ยตกแต่งเนี่ยจงดงามขนาดไหนมันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในพระรู ป, ปกายตั้งแต่การอยู่ในคันแล้วไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในการอยู่ในคันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการคลอดจากคันหรือการประสูต ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการออกบวชไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการทำทุกขกรกิริยาหรือการทำความเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการประกาศธรรมไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการปรินิพานและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนหลังจากพระองค์ปรินิพานชนทั้งหลายก็ยังนับถือพระองค์ พระองค์นั้นถือว่าเป็นแสงสว่างที่ใหญ่มากทัานจึงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยประการทั้งปวงจะเมื่อไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอยู่เสมอทัานพระองค์จึงเสมอกับพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าด้วยกันผู้ไม่มีผู้ใดเสมอคือเสมอพระพุทธเจ้าด้วยกันท่านั้นพระองค์จึงไม่มีใครเอามาเทียบเคียงได้ในยุคเดียวกันบอก พระพุทธเจ้าเหมือนคนนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนคนนี้ไม่มีไม่มีการเอาพระองค์ไปเปรียบกับใครอย่างมากก็เปรียบเสี่งอะไรก็ได้ที่เป็นยอดยอดะนะหัวหน้าผู้สูงสุดเท่านั้นเองแต่ถึงขนาดนั้นผู้สูงสุดเหล่านั้นก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าอั น, นพระองค์นั้นก็อุบัติขึ้นในโลกอย่างพระพุทธเจ้าพระนามเวสภูเนี่ยนะเกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบโลกสาม โลกสามเนี่ยถือว่าเป็นโลกที่ถูกราคะเผาแล้วกามาโลกสามหมายถึงการมาโลกรูปประโลกและอรูปประโลกการมาพบรูปประพบอรูปประพบนั่นเองคําว่าโลกหมายถึงพบแปลว่าสลายที่เรียกว่าโลกก็เพราะแตกทําลายแตกสลายมันจะการมาพบรูปประพบหรืออรูปประพบพบเหล่าใดที่เที่ยงไม่มีเพราะนพบทั้งมวลล้วนแต่สลายแต่ในบรรดาพบทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกไฟคือราคะเผา ถ้าบอกอันนี้ยกตัวอย่างบอกถ้าไฟราคาเผาก็ตามด้วยไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตแผดเผาแล้วพบสามเนี่ยนะการมาพบรูปประพบอรูปประพบถือว่าเป็นแว่นแคว้นแผ่นดินแห่งตัญหาทั้งหลายเรียกว่ารักของตัญหามีตัญหาครองรักนะมีตันห า, นะ น, หานี่เป็นเป็นผู้อะไรครอบคลุมปกครองดูแลนะ ก็โลกเนี่ยอันตันหาใช่ไหมพาไปโลกเนี่ยถูกอยู่ตกอยู่ภายใต้แห่งอํานาจของตันหาถือว่าแผ่นแผ่นดินของตันหาที่ใดมั่งบอกว่าตันหาไม่เกิดเลยเนี่ยหาดูเถอะไม่มีแต่ที่เดียวที่ไม่เป็นอาริมณปัจจัยแห่งตันหาขอให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในการมมาพบรูปประพบและอรูปประพบงั้นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเป็นอารมณ์ของตันหาไหมบอกเป็นสถานการณ์เดียวกันบางคนไม่ชอบแต่บางคนชอบมาก เพราะแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตันหาแต่ว่าตันหาของผู้ใดอีกเรื่องหนึ่งมันให้รู้เธอว่าภพสามนั้นจึงเป็นดินแดนสถานที่โครจรเป็นทําเลของตันหาที่ตันหาจาริกท่องเที่ยวไปเนี่ยนะไม่มีขณะใดที่สิ่งใดไม่เป็นอา ร, รมณปัจจัยของตันหาแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ยังเป็นอาหารของอเป็นตันหาของเหล่าสัตว์ไม่ใช่น้อยใชกิมิชาติที่อาศัยอยู่ตามร่างกายของเรามันก็ชอบนะ มันก็ชอบกินด้วยความ อ, ร, อร่อยๆเพราะว่าไปนั้นทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งตันหาไม่มีส่วนเหลือแม้กระทั่งที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็ยังเป็นอารมณ์ของตันหาของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในที่นั้นหรือของผู้ที่คิดจะไปครอบครองที่ดินเหล่านั้นเป็นต้นเาะสรุปว่าทุกแห่งเป็นดินแดนเป็นที่โคจรแห่งตัหาสาหรับพระองค์นั้นรู้นะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าพบสาม ราคาก็เผาพบสามเป็นสถานที่โคจรแห่งตันหาพระองค์ก็เลยตัดเครื่องพันธนาการเครื่องผูกทั้งหลายเหมือนชา้างบอกว่าธรรมดาช้างที่ที่มีอำนาจมากมีฤทธิ์มากเนยนะถึงจะถูกล่ามโซ่ก็กระตุกสองทีนี่หรือกระตุกทีเดียวโซ่ก็หลุดฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นรู้เลยว่าตันหาเนี่ยเป็นเหมือนกับโซ่ที่ล่ามเอาไว้ในวัฏฏะพระองค์ก็กระชาก กระตุกหลุดโซ่เรียกว่าหลุดจากสั่งโยดเนี่ยนะหลุดจากเครื่องผูกหลุดจากโยคะเครื่องประกอบเครื่องร้อยเครื่องรัดเครื่องผูกเครื่องมัดเอาไว้ในพบความที่พระองคชาคจากตัญหาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผู้สูงสุดเนี่ยนะเพราะละตัญหาเขาเรียกว่าออกจากตัญหาออกจากอาวิชชาออกจากตันหาด้วยสมถะออกจากอาวิชชาด้วย วิปัสนาสมถะและวิปัสนาเคียงคู่กันไปเรียกว่าโพชฌงหรือองค์มรตรองก็ตรัสรูโ้โพธิยามที่สูงสุดเป็นการตรัสรู้ที่สามารถบอกสอนแต่งตั้งเปิดเผยให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพระพุทธเจ้าพระนามวเวสภูพระองค์นั้นเป็นผู้นำสัตว์โลกให้พ้นจากวัตถุกประกาศทธรรมจกักก็คือประกาศอริยสัจให้เป็นไปหมุนโดยรอบ3อาการ12อย่าง การที่พระองค์ประกาศถ้าทำมาจับ ก, กล่าวถึงข้อปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นจึงมีผู้ปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระองค์ 80,000 ืโกธเนี่ยนะแปดหมื่นโกดแสดงว่าครับคนเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอาศัยทําบุญจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีหรือพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีหรือว่าพระพุทธเจ้าถอยหลังปุตสะ ติดสะเป็นต้นถอยถอยหลังมาเขาสั่งสมบุญมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ ก, ก่อนๆเอาไว้มากเขาเหล่านั้นเหมือนกับบัวที่พ้นน้ําแล้วพอดวงอาทิตย์สตร์ส่องดอกบัวก็แย้มดอกบัวก็บานฉันใดเหล่าสัตว์ผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นได้รับแสงแห่งพระธรรมก็ตรัสรู้ธรรมเห็นอริยสัจธรรม เมื่อพระโล ก, กะเชษฐโล ก, กะเชษฐเชษฐะเชษฐาแปลว่าพี่ชายคนโตเนี่ยนะพระเชษฐาก็คือพี่คนโตที่สุดพระองค์พูดเรียกว่าพระโล ก, กะเชษฐผู้เจริญที่สุดในโลกผู้อุบัติขึ้นก่อนสัตว์โลกทั้งปวงในการตรัสรู้เหมือนอย่างว่าลูกไข่เออไปลูกไก่ลูกไกไ่ตัวใ ด, วดที่เจาะกระปะกระเพาะกระปไข่ออกมาก่อนลูกไก่ตัวนั้นก็นับว่าเป็นพี่ฉันใด พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์นับว่าเป็นพี่เพราะพระองค์ชําแรกอวิชชาที่ปกปิดอดีตชําแรกอวิชชาที่ปกปิดอนาคตชําแรกอวิชชาที่ปกปิดทั้งอดีตและอนาคตชําแรกอวิชชาที่ปกปิดทุกข์ชําแรกอวิชชาที่ปกปิดสมุทัยนิโรธและอริยมรรคทั้งหลายความที่พระองค์ชําแรกอวิชชาได้ก่อนกว่าผู้อื่นทั้งหมดพระองค์จึงเรียกว่าท้โลกเชษฐ์ผู้เจริญที่สุดในสัตว์โลก พระองค์เป็นผู้องค์อาจในนรชนคําว่าองค์อาจก็คืออาสะพะประกาศถึงว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้กล้านะเป็นผู้กล้าเป็นผู้ไม่ขั้นครามเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่สะทกสถานใช้ชีวิตอยู่ด้วยปีติและโสมนัสพระองค์นั้นสเสด็จจาริกไปในแว่นแขวนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์สัรพัสสะทั้งหลายระหว่างที่พระองค์สเสด็จจาริกก็มีการแสดงทำให้สักทั้งหลายฟัง อภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่สองก็มีแก่สัตว์จำนวนเจ็ด0มื่นโกดเนี่ยนะก็เสด็จเข้าไปหารำเลที่เหมาะที่สมแสดงทำให้มีผู้ตรัสรู้ก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามเห็นอริยสัจธรทำตามพระองค์นั้นเมื่อทรงบรรเทามิจฉาทิฏฐิที่ใหญ่หลวงของพวกเดรัจฐีทั้งหลายอ น, นะเดรัจถีทั้งหลายเนี่ยปโปรยมิจฉาทิฏฐิที่ใหญ่หลวงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่มาก ก็ทิฏฐิ62เนี่ยนะหรือทิฏฐิ200ถ้ากล่าวตามปฏิสัมพิ ธ, ธามมัดแต่ถ้ากล่าวตามทิฏฐิเนี่ยนะมันจะมีหลายกลุ่มก็จรงิงมี62กลุ่มหรือมีหกสิบากลุ่มหรือมี200กลุ่มก็ตามเหล่าทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยถ้ารายละเอียดแจกเป็นรายคนแล้วถือว่าทิฏฐิรายละเอียดมากเพราะคนหนึ่งเนี่ยนะความเข้มข้นจะไม่เหมือนกันความเข้มข้นของมิจฉาทิฏฐิของแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันพันแสดงว่าทิฏฐินี้มีขาย แผ่ไปอย่างใหญ่หลวง น, นะพระองค์ก็เลยบรรเทาความมืดคือทิฏฐิอันนั้น น, นะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย ก, ลก็คือกลุ่มทิฏฐิหกสิบ น, นะทิฏฐิที่ปรารบอดีต18ทิฏฐิที่ปรารบอนาคต44ก็รวมเป็น62เนี่ยนะฉั้นเราทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยนะ ก, ก็เกิดจากความยึดถือว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาขันห้าเป็นของอัตตาขันห้าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วย อัตตาหรืออัตตาอาศัยอยู่ในขันเหล่าใดเหล่าหนึ่งในนั้นพมันก็ขันห้าจึงเป็นที่ตั้งแห่งอัตตาความสําคัญว่าเป็นตนหรือสําคัญว่าเป็นของของตนด้วยอํานาจทิฏฐิพระองค์ก็แสดงทําให้เห็นประจักษ์ว่าความเห็นเหล่านั้นที่เกิดจากสกายทิฏฐิเป็นสมุดฐานเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานนั้นเป็นความเห็นที่ไม่ดีเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องอนะ แต่ทีนี้การที่จะแสะดงให้เขายอมรับได้พระองค์ก็ทําปาฏิหารคําว่าปาฏิหารแปลว่ามุ่งขจักําจัดความเข้าใจผิด น, นะเพื่อบําบัดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นระหว่างที่พระองค์แสดงปาฏิหารเพื่อกําจัดมิจฉาทิฐิเทวดาและมนุษย์ในหมื่นโล ก, กธาตุก็มาประชุมกันนะเข้ามาประชุมกันเพรา ะ, ะ น, นโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็มาประชุมกันเพื่อมาดูปาฏิหารของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นความอัศจรรย์อันไม่เคยมีอัจฉริยะอัพพูตะธรรมอัจฉริยะอัศจรรย์เนี่ยนะแปลว่าควรแก่การดีดนิ้วมือให้โอโ้โหอัศจรรย์นี่แปลว่าควรแก่การดีดนิ้วมือให้บอกแม่ชื่นชมมากนะแล้วก็อัพูตะไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นเหมันการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมามีขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำปาติหารยิ่งไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นซ้อนกันอีกครั้งหนึ่งมันเขาเหล่านั้นก็เลยขนลุกชูฉันด้วยอานาจปีติและ โสมนัสไม่ใช่กลัวหวาดผวาเหมือนกลัวผีนะไม่ใช่แต่นี้หมายเขาปีติโสมนัสดีอกดีใจมากเลยนะเขาเรียกว่าสํานวนว่าใครที่มีตาได้เห็นก็นับว่าเป็นบุญตามหาศาลแล้วใครที่ได้ยินเสียงก็ถือว่าเป็นบุญหูใครที่ได้ฟังคําสอนและขี่ตามคําสอนเห็นภาพพระพุทธ ร, รูปเห็นพระองค์เห็นพระรูปของพระองค์ได้ฟังเสียงของพระองค์แล้วก็ฟังธรรมของพระองค์ก็ตามระลึกตามจิตใจของเขาก็ผ่องใส ด้วยศรัทธาปีติโสมนัสเป็นอันมากก็เกิดขึ้นปีติก็เป็นสมุทฐานให้คนลุกชูชันเป็นต้นมันปีติก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัตถิปัจสัตถิเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งยถาภูตยานัศสนยถาภูตยานัศสนเป็นปัจจัยแก่นิพิทาและวิราคะเขาเหล่านั้นก็กําหนดรู้ทุกตรัสรู้ทุกด้วยการกําหนดรู้ละสมุทัยด้วยการ ละสมุไทยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคมันเกิดการตรัสรู้ดวงตาเห็นอริยสัจธรรมก็มีแก่สัตว์หกหมื่นโกดเนี่ยนะพระเวสสุพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณที่ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นนะผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่สแสวงหาอริยคุณทั้งหลายสแสวงหาพระพุทธคุณทั้งหลายจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ายังสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพัพพะสัตทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีสันนิบาตการประชุมอริยะสาวกขีนาศผู้เป็นอรหันต์ไร้มนทินคือราคะเป็นต้นมีจิตสงบคงที่ในโลกธรรมสามครั้งด้วยกันสาวกสันนิบาตสามครั้งครั้งแรก8ปดหมื่นครั้งที่สองเจ็ดหมื่นครั้งที่สามหหมื่นอรหันตเหล่านั้นเป็นผู้ก้าวล่วงภัยคือชราเป็นต้นพราอรหันตเหล่านั้นเนี่ยนะพ้นภัยแล้ว พ้ภัยคือการกพ้นภัยคือชาติชรา ม, มรณาโซโกะปริเทวะทุกขโ ท, โทมนัสและอุปายาต น, ยนะบอกว่าการเกิดเนี่ยมันก็น่ากลัวความแก่ก็ต้องน่ากลัวความตายก็น่ากลัวแล้วก็หมายภัยเนี่ยนะคนเนี่ยถ้ากล่าวไปแล้วบอกว่าตกนรกกลัวไหมบอกว่านั่นนะถ้าไม่เกิดในนรกน่ากลัวไหมเพรฉะนั้นความเกิดก็น่ากลัวถามว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะแกก็บวกกับความเจ็บป่วยเป็นต้นความบกพร่องคืออาพาธก็ถือว่าความชราเป็นต้นก็ น่ากลัวถามว่าแล้วต้องตายเนี่ยนะตายแล้วรู้ว่าตายแบบจะไปไม่ดีต่อเนี่ยจะน่ากลัวไหมท่านแล้วก็ขันเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งไทยทั้งหลายมีภัยคือโสกะปริเทวะเป็นต้นก็เกิดขึ้นพระ้าหันเหล่านั้นพ้นภัยแล้วคเครียกว่าถึงบทอันกเกษมและปลอดภยัยเป็นชื่อของพระนิพาณ น, นิพานนั้นชื่อว่ากเกษมเขมังอะพยังเนี่ยนะพนันนิพานนั้นชื่อว่าอะสังคตังอะพยัง เป็นธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงเป็นธรรมที่ดับปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนเป็นธรรมที่เกษมปลอดภัยพระอาหารหันตเหล่านั้นผู้ตรัสรู้พระนิพพานทํากิจในอริยสัจเสร็จสิ้นท่านเหล่านั้นพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวงเพื่อเราทั้งหลายที่ยังกลัวผวาสะดุ้งก็เนื่องจากว่าเรานี่ไม่เห็นธรรมเป็นที่ที่มั่นคงเมื่อไม่เห็นพระนิพพานที่มั่นคง เราทั้งหลายก็มีจิตใจที่หวาดเสด็จงมันคนที่มีอรู้ธรรมที่มั่นคงโดยเฉพาะพระนิพพานที่มั่นคงเขาเหล่านั้นก็จะพ้นจากภัยเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรน่าน่ากลัวอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะคว่าไม่มีอะไรน่ากลัวก็คือไม่มีความกลัวแต่ถามว่าท่านรังเกียจวัตตะไหมบอกว่าท่านมีพย า, ยานเห็นภัยในวัตตะเป็นอย่างดีแต่ว่า จิตใจของท่านไม่ได้หวาดสะดุง้งไม่หวาดกลัวแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจเนี่ยน ะ, ะความกลัวไม่มีที่จบความกลัวไม่มีที่สิ้นมีแต่ความสะดุง้งมีแต่ความผวาสังเกตดูว่าผู้ที่ไม่เห็นพระนิพพานเนี่ยฟ้าตกฝนตกฟ้าร้องเกิดอะไรดังคล่องแขล้งหน่อยก็ผวาแนละ้เป็นต้นอันนี้ก็แป ล, แปลว่าเพราะไม่เห็นธรรมที่มั่นคงก็เลยสะดุ้งกับสิ่งที่ไม่ควรสะดุ้งเป็นต้น พาหันเหล่านั้นผู้ขี่นาศเป็นโอรสโอรสแปลว่าลูกที่เกิดจากอกคือธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเสียงของพระพุทธเจ้านถือว่าตั้งที่อกเป็นสมุดฐานเนี่ยนะเพราะเสียงของพระ อ, องค์จะลึกเนี่ยนะเสียงฟังแล้วลึกทุม้มแล้วก็ไพเราะเสนะสืบเนื่องกลมกล่อมไม่แตกพรา่าสำเนียงเหมือนนกการเรกเนี่ยนะสำเนียงเสนะเหมือนนกกาเวก ความดังของเสียงดุดเสียงพรมแล้วก็มีสัพพัญยุตยานมีอนาวรณญ า, านมีอินเดียประโภคปริยติยานมีอาสาธารณญานเหล่าอื่นมีพุทธยานเหล่าอื่นเป็นสมุดฐานในการแสดงธรรมนั้นผู้ที่เห็นธรรมตามที่พระองค์แสดงตามที่พระองค์ตรัสนั้นจึงเป็นโอรสของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์อย่างเช่นพระสารีบุตรบุตรของเรากัสสะผู้เป็นบุตรของเราโมคคัลลานะผู้เป็นบุตรของเราพระพุทธเจ้าเรียกพระอริยะทั้งหลายว่า เป็นบุตรของพระองค์ทั้งๆที่โดยวัยโดยอายุหลายท่านอายุมากกว่าพระองค์แต่ก็เรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบุตรของพระองค์อย่างพนางโคตมีก็เรียกว่าเป็นที่ดาของพระองค์เพราะว่าเกิดจากอกคือธรรมเทศนาของพระองค์เนี่ยนะเรียกว่าพนางโคตมีหรือพนางมายาให้พระองค์เกิดในวัตตแต่พระองค์ให้ท่านเหล่านั้นเกิดในอาริยชาติเนี่ยนะเกิดในอาริยะชาตินะ การเกิดที่ประเสริฐเกิดและพ้นจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงมันสรุปทบทวนนะว่าพระอริยาสาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันเนี่ยนะพ้นจากชรามรณะเป็นอกเป็นโอรสเกิดจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นสรุปว่าอริยาสาวกเนี่ยประชุมครั้งที่หนึ่งแปดมืครั้งที่สองเจ็ดมื่นครั้งที่สามหกหมืทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราบ้างว่าพระองค์ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือเป็นเป็นคนที่ไม่ยอมพลาดบุญมันขอให้เกิดได้พบแหล่งแหล่งเจริญบุญเจริญกุศลเนี่ยท่านไม่ยอมพลาดแน่นอนท่านบอกว่าเพื่อโพธิญาณท่านบำเบลอได้ทุกอย่างกันว่าหมายความว่าเจริญกุศลได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ตรัสรู้โพธิญาณมันถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะยอมพลาดไหมบอกไม่พลาดโอกาสในการสร้างกุศลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้น ที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงพระองค์ในอดีตเมื่อ31กัปนั้นว่าพระองค์นั้นได้สดับพระธรรมจักรอันอุดมเป็นธรรมจักรเป็นคำสอนที่สูงสุดเป็นธรรมที่ประณีตก็คือละเอียดสุขุมเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นประกาศแล้ว ได้ยินคำว่าได้ยินธรรมจักนี้ไม่ได้หมายแปลว่าต้องได้ยินปฐ ม, มเทศนาแต่หมายคำว่าได้ยินการที่พระองค์เนี่ยหมุนทุกขอริ y a s a t หมุนสมุทยัย Ariyasat n i ร o d Ariyasat Mok Ariyasat หรือประกาศ Ariyasat ให้เป็นไปการที่พระองค์ประกาศ Ariyasat ที่ใดที่นั่นก็เรียกว่าการประกาศพระธรรมจักเรียกว่าหมุนกงลอ้อแห่ง Ariyasat จะทำให้เป็นไปแล้ว ท่านทพระโพธิสัตว์ได้ยินพระธรรมจากได้ยินการประกาศอริยสัจจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูก็มีใจน้อมไปเพื่อจะบรรปชาคําว่าบรรปชาเ น, น, น้นพิเศษว่าเป็นพื้นฐานแห่งเนกข ม, มะเมื่อบวชแล้วจะได้รักษาศีลเมื่อศีลเป็นบาตจะได้เจริญสมถะวิปัสนาการเจริญสมถะของท่านเนี่ยนะการรักษาศีลการบวชเพื่อรักษาศีลก็เป็นศีลบารมี ของท่านการที่ท่านเจริญสมถะก็เป็นเนกขมมะบารมีของท่านการที่ท่านเจริญวิปัสนาทรงจําคําสอนเป็นตน้นก็เป็นปัญญาบารมีของท่านท่านไม่พลาดโอกาสในการสร้างบารมีเนี่ยนะพระองค์ก็มีใจน้อมไปในการบรนประชาพระองค์เล่าต่อไปอีกว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์พระนามว่าสุทัศนะแปล ว, ว่าผู้เห็นดีเนี่ยนะได้บูชาพระชินเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์ ด้วยข้าวด้วยผ้าข้าวน้ําผ้าเนี่ยในยกปัจจัยสีขึ้นมานะเพราะว่าปัจจัยสี่ก็คืออาหารกับเครื่องนุ่งห่มแต่ก็รวมถึงเสนาสนะเป็นต้นด้ว ย, น, ยนะนะพระองค์เล่าว่าพระองค์ได้บําเพ็ญมหาทานถ้าทานเฉยๆเนี่ยเขาเรียกยังไม่เรียกมหามหาแปลว่าใหญ่มากเป็นการบริจาคที่ใหญ่ที่ยากที่บุคคลอื่นจะเสมอเหมือนอนะพระองค์นั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน ปกติแล้วก่อนที่จะได้บวชเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายในการให้ทานยินดีในการให้ทานทั้งกลางคืนและกลางวันก็คือกลางคืนคิดว่าจะให้อะไรได้บ้างกลางวันก็ไปจัดแจงตามที่คิดว่าจะให้ได้อย่างไรเนี่ยนะกลางคืนก็คิดต่อไปกลางวันก็ให้ทานต่อไปในที่สุดก็ทั้งให้ทานนันการให้ทานเนี่ยถามว่าพาดหันทั้งหลายจะแสดงทำให้คนให้ทานหรือคนไม่ให้ทานฟังก่อน ในในพระสูตรเนี่ยถามว่าผ้าอาหารทั้งหลายถ้าจะเข้าไปหาเข้าไปหาคนให้ทานหรือไม่ให้ทานก่อนให้ทานก่อนถ้าผ้าอาหารทั้งหลายจะสงเคราะห์สงเคราะห์คนตนีหรือคนให้ทานก่อนก็สงเคราะห์ให้ทานก่อนเพราะถ้าอาหารทั้งหลายจะแสดงธรรมแสดงให้ใครฟังก่อนก็แสดงให้ผู้ให้ทานก่อนเนั้นพระโพธิสัตว์นี้เป็นทานนบดีผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานพระอาหารตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ ก็คือมีอหมายความว่าคนให้ทานมีโอกาสได้พูดคุยกันดังั้นการจริงๆแล้วคนไม่ให้ทานท่าระยะท่านก็สอนแต่โอกาสที่จะได้สอนมันยากอ้างว่าไม่มีเวลาเป็นต้นเนี่ยนะที่จะมีการพบปะเจอเจอเพราะว่าคนไม่ให้ทานก็บอกว่าไม่อยากเข้าไปใกล้เดี๋ยวจะสูญเสียเข้าของเป็นต้นแต่สําหรับพระรยาเจ้า เ, ออเข้อไปสําหรับผู้ที่ให้ทานนั้นจะเข้าไปใกล้ชิดนะเมื่อมีศรัทธาเข้าไปหาได้ถวายปัจจัยสีก็ได้มีการฟังธรรม พระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ใดเข้าใกล้ท่านท่านไม่ยอมให้เราตกต่าหรอกเนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะแสดงเพิ่มพูนคุณธรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าพอใจในฐานนักกุศลเลยมหาบาพิตรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะพระเจ้ า, าก็แสดงธรรมให้ฟังพระองค์ก็รู้ว่าการบรญญัตินั้นมีคุณานิสง์ถึงพร้อมด้วยพักคุณมากมายเพราะว่าการบวชนี่ถือว่าเป็นเหมือนกับอภิเสกมาเป็นราชโอรสนั่นนะบอกว่า ในพระอารหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าการที่ท่านครองราชสมบัติเป็นการอภิเศกครั้งที่หนึ่งของท่านการที่ท่านออกบวชมาทรงบาทถือบาตรถือบริขารเป็นการอภิเศกครั้งที่สองของท่านการที่ท่านเห็นอริยสรรยัจเป็นการอภิเสกครั้งที่สามของท่านนะ เ, นเพราะว่าท่านเป็นพระราชากรบวช ก็นะคือได้รับอภิเสกในราชสมบัติในที่สุดก็มาบวชก็การทรงบัตรทรงบริขารก็เป็นการอภิเสกของท่านถ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนการอภิเสกไม่ต่างอะไรกันแล้วก็ในที่สุดท่านก็อภิเสกด้วยสัจจะเขาเรียกว่าสัจจะภิเสกเนี่ยนะอภิเสกด้วยสัจจะก็ตรัสรู้อริยสัจเขาเรียกว่าอภิเสกสามครั้งก็เป็นผู้มีบุญมาเกิดนะนะนี่ก็เหมือนกันพระราชาพระองค์นี้เนี่ยนะได้รับอภิเสกในราชสมบัติแล้วปรารถนจาจะอภิเสกโดยการ บรรพชาเพราะว่าการบรรพชานั้นถือว่ามีคุณมากก็เลยบวชในสำนักของพระชินเจ้าถ้าเป็นพระราชาเนี่ยนะถามว่าจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บ่อยไหมยากนะเพราะพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าโทษของการเข้าวังมีหลายอย่างนะเข้าในเวลาอันไม่สมควรมาคือคือโทษของการเข้าวังเนี่ยมีมากกว่าคุณ เช่นแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตั้งเรื่องการอถอยทาย t h o พวกตำแหน่งทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆแถวนั้นอ่ะดีไม่ดีอาจจะผู้ที่เป็นพระพิสูจนึกว่าอย่างทหารบางคนที่ถูกถอดเนี่ยก็นึกว่าพระพิสูจน์เป็นคนไปส่อเสียดให้ท่านถอดคนนั้นไปหรือบางคนที่เรียกว่าได้รับยกตำแหน่งขึ้นเนี่ยนะคือสรุปว่ามีโทษมากกว่าคุณถ้ายินดีในสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เห็นแล้วว่าการที่พระองค์ยังเป็นพระราชาก็ยากที่จะได้ ฟังธรรมเพราะเวลาจะมาฟังธรรมทีนึงนะเขาบอกว่าถ้าเป็นยาจกจะไปไหนไปสบายเนี่ยนะลุกขึ้นไปได้เลยแต่พระราชาจะไปไหนเนี่ยนะโอ้ต้องวางแผนพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวกว่าจะสําเร็จกิจแล้วกว่าจะไปตรงนั้นได้ทั้งอารักขาการดูแลการป้องกันเป็นต้ น, นถือว่าเรื่องราวใหญ่มากท่า น, นเห็นเลยว่าการการเป็นพระราชาเนี่ยยากที่จะประพฤติสมณธรรมประพฤติคุณธรรมหรือยากที่จะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมตรัสรูุเป็น พรพับผู้แตเจ้าก็เห็นว่าการบวชนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยนะเขมาก็พูดอันนี้สงไปงั้นนะแต่ว่าทํำข้าจะก็บวชอย่างที่เห็นนี่แหละนะให้เพิ่มขึ้นอีกค่าจะยากกว่านะทีนี้พอบวชเข้ามาแล้วทําไงบ้างก็พรั่งพร้อมด้วยอาจาระคุณอาจาระคือมรน ญ, ญาติทางกายมันญาติทางวาจาและทางใจก็อาจาระทางกายอาจาระทางวาจาและ อาจาระทางใจตั้งมั่นอยู่ในวัดคำวมวัดนี่หมายว่าวัดในอาจาริยวัดอุปชายาวัดอันเทวาศิกวัดเป็นต้นหรือทุดงควัดทั้งหลายก็คือบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติวัดปฏิบัติทุกอย่างเรียกว่าขันธกะวัดทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนและก็ดํารงอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลมีปาติโมขสังวออินทรี์สังวอนปัจยักณิสันนิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีล พระองค์กล่าวบทสรุปบอกว่าขณะที่เรากำลังสแสวงหาพระสัพพัญญุตยานก็ยินดีอย่างยิ่งในพระศาสนาของพระชินเจ้า น, นะโดยเฉพาะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าการที่ได้บวชไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเหมือนกับการดูงานเนี่ยนะ เป็นเหมือนกับการไปดูงานที่เรียกว่าโอ้เนี่ยแบบอย่างเขาเป็นอย่างนี้นะต่อไปเราก็จะได้เป็นอย่างนี้มีพระรัศมีอย่างนี้มี ى, พระพุทธคุณเช่นนี้เช่นนี้ ى, พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจเช่นนี้เช่นนี้การที่เข้ามาบวชอยู่ในพุทธสํานักก็เป็นเหมือนกับมาเดเรียกว่าไปดูงานเหมนกันดูงานแล้วก็รู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ตัวเองขาดตกบกพร่องอะไรบ้างคุณธรรมที่ตัวเองขาดมีอะไรบ้างที่จะได้ตรัสรู้เช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะก็ ก็เลยมีความสุขในการออกบวชแล้วก็เห็นแล้วว่าพระ อ, องค์นี่มีปัญญาอย่างไรเพราะหลายๆอย่างก็อาศัยอนุมานญนานเอาก็คืออนุมานคือคํานวณเอาเลยว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธวิสัยเช่นนี้ถึงจะเห็นน้อยแต่ก็เหมือนอย่างว่าเราไม่ได้เห็นอากาศทั้งหมดแต่เราก็มองเห็นว่าอากาศนั้นกว้างใหญ่เราไม่ได้มองเห็นแผ่นดินทั้งผืนทั้งหมดแต่เท่าที่มองเห็นก็ถือว่าแผ่นดินนี้ใหญ่ถึงน้ําทะเลเราจะบอกอ่ามันใหญ่เราไม่เคยเห็นทั้งหมดหรอกแต่เราเห็นจากเห็นครั้งเดียวเราก็ถือว่า ยิ่งใหญ่ชันใดบุคคลใดที่เข้าไปเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระองค์นั้นมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มันจะทําอย่างไรที่จะให้มีคุณเช่นกับพระองค์เนี่ยนะก็เรียกว่ามองเห็นผลก็สาวมาหาเหตุว่าจะต้องทําเหตุเช่นใดจึงจะได้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าตัวเองเป็นกลุ่มเหตุพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับผลทำอย่างไงเนาะจึงจะได้รับผลเช่นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรานั้น เข้าถึงศรัทธาและปีติมีศรัทธาในคำว่าผู้มีศรัทธานั้นก็คือดำรงอยู่ด้วยศรัทธาตั้งมั่นในพระอรหันต์ว่า อ, นนอารหรันต์ตสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยนะแปลว่าศรัทธาของท่านเนี่ยโคจรในพระพุทธคุณทั้งปุพพัชจริยาคุณสรีระคุณพระพุทธคุณพระพุทธกิจทั้งหลายและพุทธธรรมคาสอนที่พระองค์ตรัสรู้พท่านมีศรัทธามากปีติใน พระพุทธคุณอยู่เสมอถวายบังคมพระผู้เจเจ้าผู้าศาสด า, สาศาสดาแปลว่าผู้พาเหล่าเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารชรากัรดาลพญาทีมรณะโศกะปริเทวะให้พาให้ข้ามพ้นจากวัตตะหรือาศาสดาผู้สั่งสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนั้นมีศรัทธามากศรัทธาของเขาเขา ไ, ได้ประดิษฐานในนี้ที่ตั้งแห่งศรัทธาจริงๆ กล่ว่าที่ตั้งแห่งศรัทธานั้นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าได้ที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ใหญ่ที่สุดที่สูงที่สุดและไม่เปลี่ยนแปลงไม่คลาดเคลื่อนแต่ถ้าหากว่าเราไปศรัทธาอย่างสมมติถ้าเราศรัทธาลิงเนี่ยใจเราจะเป็นยังไงใจเราจะปกติไหมถ้าเทียบกับรักศรัทธาในคนนะศรัทธาในคนยังก็พอจะดีกว่าไหมถ้าเอากับลิงไม่ค่อยแน่ค่อยนอนในนี้ถ้าเอากับคนนี่เอาศรัทธาปุตชนกับศรัทธาพระโสดาบันต่างกันไหม โอ้ยเทียบกันไม่ได้หรือแม้กระทั่งปุตุชนด้วยการศรัทธาปุตุชนคนทุศีลกับศรัทธาคนมีศีลมันก็ต่างกันถ้าเอาคนมีศีลกับคนได้ฌานคนได้ฌานก็ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาดีกว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นทัสโซดาบันขึ้นไปก็ถือว่าที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ดีถึงจะตั้งอยู่ในโสดาบันสกธาคามีอนาคามีที่ตั้งแห่งศรัทธาเหล่านั้นก็ไม่ได้ประเสริฐเท่ากับที่ตั้งแห่งศรัทธาคือ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาโดยรอบด้านีเรียกว่าสมันตะปาสาธิกาผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านไม่มีตรงไหนที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นชนเหล่าใดจะเลืเอ่อมใสในเลื่อมใสถือประมาณในรูปพระองค์ก็มีรูปเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสผู้ใดจะเลื่อมใสพระองค์ในฐานะผู้มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงทั้งด้านข้อประพฤติปฏิบัต ปัสรุบําเพนพุทธกิจพุทธคุณทั้งหลายพระองค์นี่มีชื่อเสียงจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเลื่อมใสในชื่อเสียงพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าจะเลื่อมใสในความเศร้าหมองเลื่อมใสในความเศร้าหมองพระพุทธเจ้าเศร้าหมองเศร้าหมองว่าอะไรที่ดูจากผาดทองคํามาถือบาตรบาตรหินบาตรดินเนี่ยนะต้มาถือเอาบาตรหิน นะเคยใช้ผ้าอย่างดีแคว้นกาสีมาใช้ผ้าบังสกุลแล้วไปบังมาจากใครบอกจากนางคาสีไม่ใช่ไปบังสกุลมาจากศพกษัตริย์นะไม่ศพนางคาสีนางปุณณนะาสีแล้วถามว่าอาหารที่พระองค์ฉันนะ่ะก็ฉันเช่นขนมทําด้วยรำอย่างเงี้ยนะ ดังในพระนางมาเล็กบางคนเนี่ยเอาอาหารที่ทําด้วยรำเนี่ยมาเป็นพุทธบูชาพราะองค์ไมชฉันอาหารอย่างนั้นเคยปราสาทสามฤดูมานอนโคลนไม้และโคนไม้สถานที่แบบหน้าหนาวหิมะตกอ่ะนะหน้าหนาวหิมะตกและพื้นดินที่พระองค์เดินเนี่ยเป็นอะไรเหมือนมีแต่รอยกีบโคอินเดียนี่โคเยอะอ่ะนะอินเดียนี่โคลเพราะนั้นที่เดินเนี่ยก็มีแต่รอยกรีบโคเป็นต้นนั้นพระองค์เนี่ยจึงถ้าพูดในด้านความเศร้า ม, มอง พระองค์เนี่ยเป็น ท, ที่เรียกว่าพูดถึงความเศร้าหมองซอมซ้อเนี่ยนะสุดๆแล้วว่างั้นเถอไม่มีใครทำได้กว่านี้อีกแล้วในบรรดากริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกัน